อันนี้เป็นการถามเพื่อการซักซ้อมในพระไตรปิฎกมีเยอะมากนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสูตรคําถามแบบนี้เริ่มมีตั้งแต่อนัตตลักษณะสูตรเนี่ยนะอนัตตลักษณะสูตรนี่ก็ถามอย่างนี้แล้วเนี่ยน ะ, ะรัสูตรที่เป็นลักษณะเนี่ยมีเยอะมาก อย่างที่ที่เราสวดเมื่อเช้าใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากอันหนึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจําเนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงไอการบอกว่ารูปไม่เที่ยงอ่ะพูดเองพูดไม่ยากละแต่ให้คนฟังเนี่ยอยากพูดด้วยอ่ะ ทำไงวะพิสุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสุก็บอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเนี่ยนะเชื่อเถอะในโลกนี้นะคําของตัวเองพูดเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยนะคนอื่นพูดบางทีเราก็เฉยเฉยนะแต่ถ้าเมื่อบางอย่างเมื่อเราได้พูดแล้วก็แหมพิเศษมากเพราะฉะนั้นก็ขยันสวดมนต์หน่อยนะอันสุดท้ายเนี่ยนะคำถามที่เรียกว่ากเทตุกรรมยตาปุจฉัตถามเพื่อจะตอบเองเนี่ยนะ ก็คือเป็นการถามของพระผูธเจ้าที่พระองค์แสดงธรรมแก่พระพิสุสงถามแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องการคำตอบแต่ถามเพื่อตั้งประเด็นแล้วจะได้ตอบเช mm ่นอไงคุ mm ้น hmm. เคยในวพิธามเนี่ยมากที่สุดก็คือ mm hmm. กุสลาธรรมมาอากุสลาธรรมมาอพยากตาธรรมมาคำถามว่ากะตะเมธรรมมากุสลาเนี่ยนะธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็น กุศลสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยา ก, กะตะกัตเมธัมมากุศลาสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นฉนกามาวจรังกุสลังจิตตังอุปนังโหติก็ค่อยๆตอบไปหรือว่าดูความพิสูจนทั้งหลายสติประธานสี่ประการนี้เนี่ยนะสติปัะธานสติประธานสี่ประการเป็นฉนนะเขบอกว่าพงษ์ก็บอกว่าสติประธานทั้งหมดมีสี่อย่างนะ เมื่อสี่บอกสี่พระองค์ก็ถามเองเพื่อจะตอบเองว่าสี่เป็นอย่างไรหละ่ะมีอะไรบ้างพระอง์ก็บอกว่าสี่ก็คือหนึ่งกายานุปัสนาสติประธานเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นการถามเพื่อจะตอบเองในพระไตรปิฎกนี่ก็เยอะมากเนี่ยนะบางทีก็าถามก็เรียกว่าถามเพื่อตั้งประเด็นเนี่ยนะถามเพื่อจะตอบเองเพราะว่าถ้าอธิบายไปเรื่อยเนี่ยนะมันก็มันก็เข้าใจยากเหมือนนนะแต่ที่จริงแล้วเขามีนิยามอยู่อย่างหนึ่ง นิยามแปลว่าเป็นกฎแน่นอนตายตัวในโลกนี้มีสองอย่างคือคำถามกับคำตอบถ้ามีคำตอบที่ไหนให้รู้เถอว่าเป็นคเกิดจากคำถามมันไม่มีอะไรที่ลอยรอยเลื่อนลอยไม่มีหรอกมันเกิดแม้ก็บอกแม้กระทั่งคำของคนบ้าจริงๆมันก็ไม่ใช่เลื่อนลอยนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาจึงพูดอย่างนั้น มันถ้าตั้งคําถามนั่มันจะมีคําตอบถ้ามีคําตอบมันต้องยโยงไปหาคําถามเพราะโลกนี้มีสองอย่างคือคําถามกับคําตอบคือถามกับตอบแต่พูดอีกภาษาธรรมะก็คือเหตุกับผลนะนะเหตุกับผลปัจจัยและผลของปัจจัยสิ่งที่อยู่เหนือเหตุนอกผลไม่มีนะสิ่งที่บอกว่าไม่ใช่เหตุแล้วก็ไม่ใช่ผลอันนี้ไม่มีในโลกของสังขารธรรมทั้งหลายมีแต่เหตุกับผลเนี่ยนะมีแต่ปัจจัยกับผลของปัจจัยทั้งหลาย ทีนี้ในคำถามที่พระมหาโกธิตะถามพระสารีบุตรเนี่ยนะที่ถามพระสารีบุตรว่าทุกปัญโยทุกปัญโยคนมีปัญญาสามเนี่ยด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่น้อแหละจึงเรียกว่าคนมีปัญญาสามนะคำถามอันนี้เนี่ยที่พระมหาโกธิตะถามพระสารีบุตรเป็นคำถามประเภทถามเพื่อการเทียบเคียงเนี่ยนะ ซึ่งพระมหาโกธิตาท่านก็รู้อยู่แล้วว่าคนมีปัญญาสามคือคนที่ไม่รู้อริยสัจแต่ท่านต้องการเทียบเคียงกับพระสาริบุตรเนี่ยนะคือบางคนก็บอกอ้าวพระมหาโกธิตาท่านก็รู้อยู่แล้วถามทําไมเสียเวลาเปล่าบัณฑด็ดทั้งหลายเขามีความสุขอันหนึ่งก็คือการสนทนาธรรมกันการสนทนาธรรมเนี่ยนะเอตัมมังคามุตตัมมังเป็นมงคล เป็นเหตุให้ถึงความเจริญเพราะฉะนั้นการได้อยู่ใกล้บัณฑิตการได้ฟังบัณฑิตการได้สอบถามบัณฑิตการได้สนทนากับบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นทางแห่งความเจริญเนี่ยนะเป็นมงคลเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงยินดีในการสนทนาพระธรรมทั้งหลายท่านจึงจะมีการสอบถามกันบางเรื่องทั้งๆที่รู้อยู่แล้วก็มีการการถามกันเนี่ยนะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอะไรต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่นํามาซึ่งความ สมัครสมานสามัคคีการเพราะว่าความสามัคคีของหมู่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความสุขขณะเดียวกันพระมหาคือพระสารีบุตรกับพระมหาโกธิตะถ้าท่านเหล่านี้มีการสนทนากันพระพิสูจน์ทั้งหลายก็จะเอาแบบเป็นแบบเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเนี่ยนะแทนที่จะมาสนทนาเรื่องอื่นก็มากลายเป็นว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะมาสนทนาธาถมเพราะพระสารีบุตรพระมหาโกธิตะเป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งแต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยอย่างน้อยลูกศิษย์หน้อรูปเนี่ยนะ เรื่องมิยู่ว่าเนี่ยนะคือหลังจากที่พระมหาโกธิตะเนี่ย อ, อยู่ในที่พักกลางวันของตนเสร็จแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาเองตั้งปัญหาว่าเอ๊ะคนไม่มีปัญญาหรือว่าคนมีปัญญาสามคนโง่เนี่ยคนโง่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนาจึงชื่อว่าเรียกว่าคนโง่ท่านสามารถตัดสินใจปัญหาในสูตรนี้เนี่ยน ะ, ะปัญหาในมหาเวทรสูตรทั้งหมดมีอยู่31ปัญหาเนี่ยนะ 31อคำถามคำถามทุกคำถามที่พระหมหาโกธิตะถามท่านตอบได้เองทั้งหมดแต่แต่อะไรแต่ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นคือเขาบอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะบางคนสามารถตั้งปัญหาขึ้นมาได้แต่ตอบไม่ได้ตั้งอ่ะสงสัยได้คิดให้สงสยัยคิดจนฟุ้งซ่านก็ทำไม่ยากใช่ไ อันนั้นมันเป็นยังไงที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรเนี่ยตั้งแล้วก็แบบอะไรนะตั้งตั้งกับเป็นคําถามแล้วก็ตอบไม่ได้สักทีหนึ่งน ะ, ะคนประเภทเนี้มีเยอะเนี่ยนะเรียกว่าถามก่อกวนถามเพื่อความฟุง้งซ่านอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยบางทีคําถามบางอย่างเนี่ยนะเคยมีพระรูปหนึ่งเขาไปถามปัญหาพระวินัยกับหลวงพ่อรูปหนึ่งเขาบอกออคำถามของท่านที่ท่านถามเนี่ยไว้ทอถามพระพุทธเจ้าองค์หน้าแลา้วกันว่างั้นนะ ก็คือท่านก็บอกท่านก็ตอบไม่ได้กันแนคะ่ว่าบางทีคำถามที่ว่าเทวดาก็ยังไม่ตอบเลยบางทีเนี่ยนะไอ้คำถามประเภทนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่บางคนเนี่ยตั้งคำถามบางทีก็เรื่องดีนะตั้งคำถามน่าตอบมากแต่ว่าหาคำตอบไม่ได้อ่าได้แต่ความสงสัยเพราะไม่มีคอ่ไม่มีข้อมูลพอที่จะมาตอบคำถามเหล่านี้ได้บางคนเนี่ยนะตอบได้แต่ตั้งเป็นคาถามไม่เป็นขอให้คนอื่นถามมาเถอะตอบได้หมดอนะ่ะ แต่ตั้งเป็นคำถามขึ้นมาพี่ปลายมาสอบถามมาเพื่อการพูดคุยไม่ได้เนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นพิธีกรไว้สอบถามคนอื่นได้อย่างเดียวแต่ถ้าให้ตอบนะตอบเมื่อไรแล้วไม่ได้เรื่องละบางคนเนี่ยตอบเก่งมากแต่ถ้าให้มาเป็นพิธีกรคอยสอบถามคนอื่นก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันบางคนไม่เป็นทั้งสองอย่างเลยถามก็ไม่ได้ตอบก็ไม่ได้เนี่ยนะอย่างคนที่สี่บางอย่างเนี่ยได้ทั้งสองอย่างถามก็เก่งตอบก็ได้เนี่ยนะจะอยู่ในลักษณะไหนก็ได้ พระมหากุติตาเทระเนี่ยนะเป็นทั้งสองอย่างทีเดียวถามก็เก่งตอบก็ได้นะท่านสามารถตั้งคำถามแล้วก็ตอบท่านเองได้เพราะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากเพราะอาศัยเป็นผู้มีปัญญามากพระเทระหลายรูปบรรลุฐานะพิเศษในพระพุทธศาสนาคนที่มีปัญญาเนี่ยนะจึงจะได้ฐานะพิเศษในพระพุทธศาสนาพระเทระที่ได้ฐานะพิเศษในพระพุทธศาสนา ท่านยกมาเป็นตัวอย่างประมาณหรูปเป็นพระพิเศษในในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพิเศษหกรูปคือใครหนึ่งพระสารีบุตรเทระสองพระมหากัจจายนะเทระสามพระปุณณะเทระสี่พระกุมารากสปะห้าพระอนนท์และก็พระคุณเจ้ารูปนี้คือพระมหาโกธิตะนี่แหละอันนะัที่เป็นคนมีความสามารถตั้งเป็นคําถามก็ได้ตอบคําตอบก็ได้ ชำนาญทั้งการถามและการตอบเนี่ยนะมันในหน้า293อบสาอธิบายตามลำดับว่าจริงอยู่ภิกษุที่มีปัญญาน้อยจะสามารถถึงที่สุดสาวกบา ร, รมาีญาณไม่ได้ น, นะจะเป็นเอตะทะค่าด้านปัญญาเลิศทางปัญญาถึงที่สุดของผู้ถึงถึงฝั่งคือปัญญาเนี่ยนะได้ไหมถ้าไม่มีปัญญาบอกไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญามากเท่านั้นจึงจะสามารถ เพราะความเป็นผู้มีปัญญามากพระสารีบุตรจึงได้บรรลุตําแหน่งนั้นตําแหน่งเป็นเอตะทะฆะในด้านปัญญาสําเร็จเป็นอัครสาวกเนี่ยนะเป็นสาวกอันดับหนึ่งเนี่ยนะสาวกหมายเลขหนึ่งในใ น, ในพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีผู้มีปัญญาเหมือนกับพระสารีบุตรเลยเนื่องจากไม่มีใครมีปัญญาเก่งฉลาดเท่าพระสารีบุตรพระองค์จึง แต่งตั้งไว้ตำแหน่งที่เลิศเลิศแล้วว่าเหนือกว่าผู้อื่นทั้งหมดว่าภิกษุทั้งหลายผู้เลิศกว่าเราภิกษุผู้มีปัญญามากซึ่งเป็นสาวกของเรานั้นก็คือสารีบทเนี่ยนะพระสารีบุทเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาปัญหาปัญหาที่พระสารีบุทเนี่ยนะ ตอบได้ทั้งหมดเนี่ยเว้นไว้แต่วิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของบุคคลเหล่าอื่นเหล่าอื่นเหล่าอื่นเนี่ยพระสารีบุตร ต, ตอบได้หมดเว้นไว้แต่สิ่งใดที่อยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าเพราะท่านจึงเป็นผู้เลิศที่สุดในด้านปัญญาเพราะท่านเป็นผู้เลิศอย่างนี้ท่านถามก็ได้ท่านตอบก็เป็นะนะอย่างพระสูตรก่อนรัฐวินีตสัสสุพระสารีบุตรเป็นคนที่ตั้งคําถามท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราหรือ บอกใช่ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเพื่อศีลวิสุทธิ์ที่หรือเพื่อจิตตวิสุทธิ์หรือเพื่อกางขาวิถีวิสุทธิ์หรือกางขาวิตรณวิสุทธิ์รหรือคือภาษารี่บทเนี่ยท่านตั้งเป็นคําถามก็ได้ยังสูตรนี้ท่านตอบอย่างเดียวเนี่ยนะหลายสูตรท่านถามก็ได้ท่านตอบก็ได้เนี่ยนะท่านได้ตั้งเป็นคําถามก็ได้ท่านตั้งเป็นคําตอบก็ไ ด, เได้เพราะท่านเป็นผู้ที่เลิศทางปัญญา องค์ที่สองต่อไปก็คือพระมหากัจจยนะท่านบอกว่าคนที่มีปัญญาน้อยเนี่ยนะแค่ขนาดนิดหน่อยแบบนั้นสามารถจะรวบรวมเทียบเคียงพระธรรมกับพระสัพพัญยุตยานแล้วจำเนกเนื้อความของพระดำรัตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างย่อๆโดยพิสดารไม่ได้หรอก คนมีปัญญาน้อยเนี่ยนะตั้งอุเทศอย่างเช่นบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิง่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิง่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะเนี่ยนะปัจจุบนันไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นได้บุคคลนั้นเพึงพ่อพูณปัญญา น, านั้นหรือความรู้นนั้นเอาไวเ้เนืองเืองเถิดเนี่ย ความเพียรควรทําวันนี้แหละใครเล่าจักรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกผู้มีปัญญามีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนแบบนี้ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยน ะ, ระเรียกว่าพัฒการตะเนี่ยนะพะัฒการตะสูตรเนี่ยน ะ, ระเรียกว่ามหากัจจายนะพัเฒการตะสูตรพระมหากจัจจยนะเนี่ยพระพิสูจทั้งหลายมาถามปั๊บท่านตอบเลย นะท่านมีความสามารถในการจําแนกแจกแกงอย่างพิสดารหรือในมัทุปินดิกะสูตรก็เหมือนกันท่านก็พระพุทธเจ้าแสดงแบบย่อๆท่านม า, มาขยายเนี่ยนะแล้วอีกหลายสูตรเพราะคนมีปัญญาในน้อยเอามาขยายไม่ได้นอเว้นแต่อธิบายมั่วๆเนี่ยนะแต่พระมหากัจจยนะท่านเข้าใจเลยว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจะทิไวยอย่างไรท่านเข้าใจอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าท่านเทียบเคียงกับพระสัพพัญยุตยานเรียกว่าเทียบเคียงกับ พระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วยกเอาเอ า, เอ า, เอาความรู้ที่เทียบเคียงได้กับพระพุทธเจ้ามาแสดงมาอธิบายซึ่งเมื่อท่านแสดงจบพระพุทธเจ้าอนุโมทนาอย่างเดียวเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นคําที่ไม่ต้องแก้ไขพราะว่ า, วาสาธุก น, นะกัจจายนะเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก เพราะฉะนั้นพระมหากจัจรยนะเป็นผู้มีปัญญามากจึงมีความสามารถการขยายเนื้อความธรรมะอย่างย่อแบบพิสดารได้เพราะฉะะพรองค์จึงแต่งพระแต่งตั้งพระมหากาจยนะเลิศทางพระพิสุผู้จําแนกเนื้อความที่พระองค์แสดงแบบย่อๆแล้วท่านมีความสามารถในการขยายอย่างพิสดาร น, น, นะผู้ที่ฟังคําแบบย่อๆแล้วแสดงได้อย่างพิสดารเป็นเลิศทางนี้ก็คือพระมหากจัจรยนะ เทระเนนก็อย่างแต่ว่าพระมหากระจายนะท่านขยายความท่านไม่ได้ขยายแบบง่ายๆเรื่อยๆเนี่ยนะแต่ท่านขยายแบบที่เรียกว่าหลักพยัญชนะและก็หลักอัฏฐาเนี่ยนะที่เรียกว่าพยัญชนะในกับอัฏฐนันเนี่ยนะพยัญชนะในท่านก็ตอบตามอะไรตามหาระสิหประการแล้วก็แสดงตามอัฏฐนัยด้วยเนี่ยนะอนัฏฐนัยเพราะท่านจะแสะดงการตอบ ป, ปัญหาการแก้ปัญหาของท่านเนี่ยนะ ท่านตรวจสอบกับหลักการหาระ16แล้วก็นัยยะหทั้งหลายทั้งศาสนประฐานเนี่ยน ะ, ะทั้งทวในครั้งว่าทั้งหาระหทั้ง น, นัยยะห้าแล้วก็ตามแนวศาสนประฐานเป็นต้นท่านจึงตอบ ป, ปัญหาท่านใครควรคํานวณแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเทียบเคียงช่างกับ น, นะเทศนาหาระวิจยะหาระวิพัติหาร ะ, าระเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะทั้งยุติหาระทั้งหาระทั้ง16แล้วก็อัตไทนายัยยะทั้งหลาย ที่สาโลจนะในอังกุษะในสีหาวิกีลิตะในเป็นต้นเนี่ยในยะเหล่านั้นเนี่ยควรจะลงได้อย่างไรแล้วก็ในทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าศาสนประทานตามที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้เป็นแม่แบบตั้งไว้เป็นแม่บทในหมวดธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าตั้งไว้อย่างไรท่านก็สามารถมองพระพุทธพจน์แว บ, บเดียวเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ที่มีความ ชำนาญในเรื่องการแสดงแบบย่อดโดยพิสดารเนี่ยนะเพราะอย่างว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีปัญญา ม, มากเพรา ะ, ะนั้นคนที่มีปัญญา ม, มากเท่านั้นแหละจึงจะ เอาเนื้อหาที่ย่อๆแล้วก็แสดงได้อย่างพิสดารอย่างเช่นพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยนะพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยท่านฟังคาถาว่าสีเลปฏิถายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวายังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชาตาเยชตตังเนี่ยนะท่านฟองฟังปับเนี่ยท่านก็เนื่องจากท่านอ่านพระไตรปิฎกอัตถะามาหมดแล้วท่านรู้เลยว่าพระไตรปิฎกอัตถาขยายว่าอย่างไง ขยายโดยพยัญชนะก่อนพยัญชนะเนี่ยนะสีเลคืออะไรปฏิทายะคืออะไรนโรคืออะไรสปันโยคืออะไรจิตตังปัญญัญจะเป็นยังไงภาวะยังเป็นยังไงแล้วขยายทุกศัพทางต้นเนี่ยนะทั้งหมดเป็นยังไงแล้วเนื้อหาอธิบายเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยท่านก็เอามาขยายเป็นโน่นอะ่ะยีกว่าประชิดแสดงเป็นวิสุทธิมรรคเริ่มเริ่มน่ะนะนะก็ขยายออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามคําสอน คณะที่สำรวจตรวจสอบนี่คือคณะพระสังฆเถระที่ส่งพระไตรปิฎกน่นะก็เป็นผู้ที่สำรวจตรวจ่อบว่าทั้งหมดนี่ใช้ได้เป็นไปตามคําสอนทุกประการนั่นนะเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญานั้นฟังพุทธพจน์แม้เพียงแต่น้อยก็ขยายแล้วก็เป็นการขยายตามพระพุทธพจน์ไม่ขัดต่อพุทธประสงค์ซึ่งพระองค์ก็อนุโมทนา